ถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าไปได้อย่าไปมั่นใจว่าเรารักษาใจได้นะเอามาเคยตกมาตายมาเยอะแล้วไปๆโมยอย่างเราที่ฝึกมาขนาดนี้แต่ก่อนนึนกท่านในใจเลยนะใครนะจะทําให้กุศลเราเสียได้ออยากขาจังเลยมันเะนี่ยที่ไหนได้ตอนคิดอย่างเงี้ยมันไปแล้วมันไปแล้วไอ้ตอนคิดอย่างงั้นผมมั่นใจยังไงมั่นใจเราเดินกุศลได้ยาวๆเนี่ยนะแต่ที่ไหนได้เฮ้ยมันปไป ย, ยังไม่รู้ตัวนะมาไปใส่็จก็เรียบร้อย โอ้โหกูจะรู้เนี่ยรู้ตัวแทบตายแต่เนี่ยเนี่ต้องมาฝึกใหม่วิจัยใหม่แต่นี่ไม่เอาแล้วไม่ท่าอีกแล้วไอ้ทีจิตเริ่มท้าเนี่ยเริ่มเริ่มเสียหายแล้วชราอีกอย่างนึงคือก็มีความเป็นไปมีฟันหาเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะอันนี้เขาเรียวกว่าวันณ้ที่เสื่อมอนวัยวะทั้งหลายเนะี่ยมีการที่จะโค้งงอเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะก็ปรากฏทางจากักรคุทวันด้วยแต่ว่าไม่รู้ได้เนะี่ยต้องรู้ทางมโนทวนัน ลักษณะอย่างนี้พึงทราบอย่างนั้นทีนี้อวิจิชลาชลาที่ไม่มีร่องรอยกับสวิจิชลาชลาที่มีร่องรอยเนาะชลาคือความค้าค่าของแก้วมันีของเงินของทองของแก้วประการของดวงจันทร์ของดวงอาทิตย์เป็นต้นเนี่ยเป็นอวิจิชลานะความวิเศษของวันหน้าต่างๆในระหว่างเป็นของที่พึงรู้ได้โดยยากเปรียบเสมือนความวิเศษของวันหน้าต่างๆของสัตว์ผู้มีชีวิตในพวกมันดัก มันด่าทศกวัยเนี่ยไว ย, ยังอ่อนๆอยู่ในนั้นไวัยซุกซนต่างๆเหล่านี้ยดูยังไงก็หาจุดชราแทบไม่เจอเลยใช่ไหมเด็กที่กําลังสุกซนต่างๆเหล่านี้เป็นแบบไว ย, ยังอ่อนอยู่ดูเหมือนจะไม่มีชราอยู่ในนั้นหรือว่าดอกไม้ผลไม้ใบอ่อนๆทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยส่วนนิรันตะชราก็คือชราที่ไม่มีระหว่างขัน้นแต่ชราความข้ามข้าในสิ่งอื่นจากวัตถุกแก้วมณีเป็นต้นเนะ่ย ชื่ว่าสาวิจิชลาเป็นความวิเศษของวันนะเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงรู้ได้โดยรู้อย่างนะส่วนชลาบางอย่างเนี่ยรู้รู้ง่ายก็แบบชลาที่มีร่องรอยเนี่ยถ้ารูปร่างต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรู้ได้เลยเพราะมีร่องรอยปรากฏฟันบ้างฟันใ น, นด้วยอำนาจแห่งฟันเนี่ยแล้วก็หนังเหี่ยวย่นเป็นต้นเหล่านี้นะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า หรือเส้นผมเนี่ยนะผมงอกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี้ยลักษณะอย่างนี้ปรากฏค่อนข้างชัดนั่นลักษณะของชะลาชนินชรลานะความที่ปรากฏความแก่งหอมของขันทั้งหลายแล้วก็มีการนำเข้าไปหาความตายเป็นกิจจรตมีความพินาศไปของวัยหนุม่มวัยสาวเป็นอาการปรากฏเนาะแล้วก็มีรูปที่กำลังแก่นั่นแหละเป็นประทัด ฐ, ฐานเป็นเหตุใกล้ตรงนี้ก็ท่าน แยกลักษณะรักษาปัจจุบประทานปทานฐานของชลาเขาไว้ท่นแยกเขาไว้ถามว่าชลาต้องมาวิจัยไหมต้องวิจัยนะเพราะเป็นเป็นทุกขสัตว์ชลานั้นน่ะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นที่ท่านใช้คําว่าอายังวุตจติชลาเนี่ยเรียกว่าชลาเรากล่าวว่าเป็นชลาเนี่ยก็ชลานั้นน่ะเป็นขันธะปริ ปากะลักคนามีความแก่งหอมของขันเป็นลักษณะความแก่งหอมของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไอตรงเนี้ยนะเออมันแก่ทุกตัวเลยนะผมก็แก่ขนก็แก่เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมันแก่ไปแล้วที่มันเริ่มนะกินเวลายาวนานมาเนี่ยความชรามันก็ปรากฏ ต, ตลอดใช่ไหมแต่ก่อนนึกว่าอีกข้างในไม่แก่ ยกตัวอย่างเช่นตับไตทั้งหลายเนี่ยเขาจะถามเออเนี่ยมันไตเด็กหรือไตผู้ใหญ่เนี่ยเขาถามงี้เวลาภาษาหมอคุยกันนะอ๋อนี่ไตเด็กก็โอเนี่ยเยอะนานหน่อยว่าอตไตผู้ใหญ่โอ้โหเนี่ยเยอไม่ค่อยนานเนี่ยเนี่ยมันก็เสื่อมมานะเยอะแล้วงั้นน่ะอ๋อคือชาลาเนี่ยนะชราปวดปวอันนี้เป็นอย่างนี้แค่มันมันมันเป็นมันเป็นลักษณะอย่างนี้มีการเข้าไปหาความตาย ไอชลาเน e <activities> ี่ยม so ันจะเดินทางไปหาความตายมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้รู้มันทีแต่เนี้ยเวลาชลาปรากฏเนี่ยถ้าตามันจะชราก็แสดงมันจะเดินเข้าไปหาความตายหูมันชรามันก็จะเดินไปหาความตายใช่ไหมผมมันชลามันก็จะเดินเข้าไปหาความตายเนี่ยเล็บชราก็จะเดินไปหาความตายอย่าเงี้ยก็มาไล่พิจารณาดูทีอาการสามสิบสองเนี่ยที่มันชราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นอะไรเนี้ยมันเดินไปหาความตายใช่ไหม ถ้ามันเดินไปยาวมากมันก็เหลือน้อยอะ่ะเหลือน้อยมันคิดง่ายๆเลยนะมุมตรงเนี้แต่เราขาดการวิจัยเท่านั้นเองถ้าวิจัยแล้วจะเห็นคุณของพระบรม ศ, ศาสดาเลยนะเนี่ยโอ้โหพระที่เจ้าตรัสเนี่ยชะลาเนี่ยเป็นทุกข์อัจถริยะดีกาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ช่วยขยายใหญ่ขยาย ย, ายังไงยังไงเบ็ดเสร็จนั้นยืนตำลาเสร็จเลยเราไม่ามาวิจัยกันเลยแต่เนี้ยชะลาก็เลยไ ม, ไม่ปรากฏในใจของเราท่านทั้งหลายด้วยความเป็นทุกข์กษัตริย์เลย ทั้งๆ ท, ที่เป็นวิจัยไม่น่ายากเลยยากไหมฮะมันเห็นเลยใช่ไหมแต่แต่วิจัยแล้วความสะดุ้งสะเทือนไม่ค่อยเกิดทีนี้อัดของชร า, าที่ท่านบอกบอกว่าอัดของชร า, าทุกเนี่ยตนเองไม่เป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์เพราะภาวะเป็นวัตถุที่ตั้งของทุกข์ถามว่าเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งของทุกข์ชนิดไหน ของทุกทางกายและทุกขคือโทมนัตเนาะอัตภาพของชรานั้นย่อมเป็นสิ่งที่ทุรพลตัวชลาเองเนี่ยเขทุรพลนะเขาสามกําลังเหมือนเกวียนเก่าๆคร่ำค่ า, มาเมื่อเขาพยายามเพื่อจะยืนหรือเพื่อจะเดินหรือเพื่อที่จะนั่งทุกทางกายอย่างรุนแรงย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุตรภรยาไม่คอยสนใจเหมือนแต่ก่อนโทมนัตทางใจก็ตั้งขึ้นเอาชลาเป็นอย่างงี้ไหมเอาตอนนี้เริ่มน้อยใจลูกก็ยัง แม่ไปรับลูกทุกวันทุกวันบางคนเนี่ยใช่ไหมนะเข้าเข้าลูกก็ไม่ก็สนใจเราเอาเะชักคิดหนักแล้วอันนี้ทรมานทางใจเกิดไหมไอ้ทุกจังใจล่ะเวลาจะเดินล่ะเกวียนตอนนี้เกวียนมันเก่าเนาะเกวียนเก่าแปลว่าเกวียนนั้นใช้มานานแล้วฉะนั้นเกวียนเก่าที่เกวียนที่เก่าค้าค่าไปเสร็จใช่ไหมเวลาจะเดินทางต่างๆนี้ต้องระมัดระวังให้อยพังเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตอนนี้ก็คือจะลุกเลยจะนั่ง จะยืนจะเดินจะทํากิจอะไรต่างๆเหล่านี้ยทุกทางกายก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเลยว่างั้นนะีทุกทางกายเวลาจะนั่งทุกทางกายก็รุนแรงย่อมเกิดขึ้นบุตรภรรยาไม่คอยสนใจเหมือนแต่ก่อนโทมนัสทางใจก็เกิดขึ้นโอ้ตรงเนี้ยอาศัยคนอื่นหมดเลยเป็นความป่วยไข้แท้ไม่มีอิสระเลยไม่มีเสรีเลยชลาเป็นทุกข์เพราะภาวะเป็นวัตถุที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายสองประการดังกล่าวประการนี้นะ ท่ระพันธ์เป็นคถาไว้บอกว่าสัตว์ย่อมถึงทุกใดทางกายและทางใจเพราะความที่ อ, ว, อวัยวะทั้งหลายย่อหย่อนเพราะความวิการแห่งอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้นเนาะเพราะความพินาศไปแห่งหนุ่มสาวเพราะกําลังถูกบั่นทอนด้วยบั่นทอนด้วยด้วยความเกิดและความดับเป็นต้นนะเพราะคุณมีสติเป็นต้นปราศจากไปวะเนี่ยตอนนี้เริ่มหลงลืมแล้วเนาะ พอบุตรและภรรยาของตนก็ไม่เลื่อมใสตอนนี้บุตรภรรยาไม่เลื่อมเลื่อมใสเลยเนาะแล้วก็ถึงความเป็นคนพานอย่างยิ่งอาทําไมเขาว่าเป็นคนพานอย่างยิ่งอ่ะขี้โกรธเงี้ยนะหลงลืมสตินะก็เลยเป็นคนพานเพราะบัณฑิตเขาเป็นไปกับสติใช่ไหมชีวิตเนะี่ยแต่พอแก่ชราลงเนี่ยการหลงลืมบ่อยไมไ่มต่อไปจะกลายเป็นคนพานนะ่อาคนพานก็ไม่ การอยู่โดยปราศจากสติยังไงสักแต่ว่าหายใจไปวันๆน่ยก็เลยคนพาลฉะนั้นต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนพาลจริงๆถ้ายังไม่สามารถตัดกระแสะขันให้ขาดได้เราจะไม่ได้มีโอกาสเป็นบัณฑิตแต่จะไปเป็นคนพาลตอนแก่เพราะเรากลายเป็นคนหลงลืมสติที่โกรธบ้างที่น้อยใจบ้าง ใช่กระกายเป็นคนหงุดหงิดง่ายตอนนี้เป็นแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นแล้วในคิดว่ใช่ไหมเขาต้งบอกว่าในท่านประพันธ์เป็นคาถาเลยไงในคาถาที่ท่านประพันธ์ไว้นะี่ยมีอยู่หลายตอนนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ยกบารีมาหรอกอริสุทธิมาคนนี้สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งทุกทางกายและทางใจนิชลานะ อวัยวะก็หย่อนยานนี่กรชาราความวิการใงอินทรีย์ C, ทั้งหลายผมขนเป็นต้นเหานี้เนาะความพินาศไปความเป็นวัยหญงหนุ่มสาวตอนนี้ก็ถูกพละคือกําลังต่างๆก็ถูกบั่นทอนลงแล้วตอนนี้กําลังก็เสื่อมถอยสติเป็นต้นก็ปราศจากไปแล้วแล้วก็บุตรภรรยาเป็นต้นไม่เลื่อมใสเขาดูหมิ่นแล้วแหละเขาเริ่มเขาไม่เริ่มใส่ท่านใช้สาบดีบางทีไม่เลื่อมใสบางทีก็ใช้คําว่าข่มเหง บางแห่งท่านใช้ความเห็นนะเนี่ยาทศนี้ท่านใช้ควาเหงก็หมายความบอกว่าความสติหลงลืมและไม่จะคําว่าอะไรที่จริงมีบาลีอยู่นะกิงพากิงพาสิเตนะพผูนานานุยังหู ก, กิมจิเป็นต้นเหล่านเนี้ยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากรนีนี้ท่านกล่าวถึงในลักษณะบอกว่าเนี่ย หลงลืมสติถูกคนอื่นกเอมีงเขาไม่เลื่อมใสนั่นแหละบุตรภรรยาเป็นต้นเหล่านี้ยนะเขาก็ไม่เลื่อมใสเนี่ยถ้าไป ม, มีบุตรมีภรรยาต่อไปก็ไม่เลื่อมใสยุ่งเลยเขาไม่เลื่อมใสอ่ะเสร็จเลยใช <c oughs> ่ไหมทำดีแทบตายเลยเขาพยายามเอาใจเขาทุกอย่างบ้านปลายชีวิตก็คือเป็นไปเพื่อเขาไม่เลื่อมใสเราเขาไม่ยินดีเลย ระหว่างเขาไปคุยกับเพื่อนเ้าดีใจหัวเราะต่อกระซิกไงเจ้าหันมาคุยกับเรานี่โหหน้าบูดหน้าบึง้งอันนี้แปลว่าอะไรเขาไม่เลื่อมสายเนี่ย <c oughs> มันเป็นอย่างนี้แหละนี่ชะลาเวลาปรากฏเป็นอย่างนี้ลาวทีเราก็พยายามบอกเขาตลอดเนี่ยต้องรู้จักรักแม่ต้องรู้จักกระตันยูรักพ่ออะไรกับพ่อเนี่ยเอาคาสอนพรเจ้าคูแล้วคู่อีก เขาก็เอ๊ะแปลกดีทําไมเราอยู่ต่อหน้าพ่อแม่อะไรแล้วอึดอัดเหลือเกินใช่ไหมไม่เหมือนอยู่ต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าใครจึกเขาล่าเรื่องไปตรงไใสเขาเลื่อมใสคนอื่นซะแล้วเขาเป็นอื่นอะ้รเป็นปรตโตไปเลยและถึงความเป็นคนพานอย่างยิ่งเลยต่อไปเอาแล้วพอใครไม่เลื่อมใสเราบางหนักเข้านักเข้าแต่นี้โกรธแล้วแต่นี้นัเข้าหนักเข้ากลายเป็นคนอรารวาสกาดเกลี้ยงไปเลยก็กลายเป็นคนพานไปเนาะ นี่ไงคติของเรามันใกล้ใกล้ไหมตรงเนี้ที่ไปของเราเนี่ยใกล้ใกลเนี่เริ่มเป็นแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ยเสร็จเลยอ่ะบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อต้องการเอาใจลูกหลานจริงๆทําให้เขาทุกอย่างกลัวเอ๊ะมันก็นึกไปเขาบอกทําหน้าที่เลยมันนึกอีกทีโอต้องการอยากจะให้ลูกเริ่มใจต้องการอยากให้ลูกเริ่มใส่ในข้านวใเข้าวเขาก็ไม่เริ่มใจ มันจะไปเรื่อมใสได้ยังไงว่าจริงๆเขาก็เขา้เขาใจไม่ใช่ไหมเขาเข้าใจเนี่ยคนที่เขาจากรู้ซึ้งถึงคุณของพ่อแม่เขาต้องศึกษากระธรเท่านั้นถ้าอย่างนั้นไม่มีทางเขาจะไปศึกษาเขาจะไปรู้คุณของพ่อแม่ยังไง้าไม่รู้คำสอนถ้ารู้คำสอนจริงๆเนี่ยเขาจะทำหน้าที่อของเขาก็เหมือ น, น, นมาเวลาอยู่กับพระเนี่ยทุกคนทำกันเนไม่ได้ไปยึดติด ว่าเออเราจะต้องปฏิบัติท่านวันนี้เป็นอาจารย์ไม่ใช่ติดแค่ตรงนั้นแต่เราต้องการประพฤติวัดของเราให้เต็มเขาเรียกว่าจารีตดนะจารีดเนี่ยนะจารีดเนี่ยเป็นธรรมที่พระเจ้ทาทรงบัญญัติไว้เราต้องการบูชาคุณของพระเจ้าและอย่างหนึ่งอาจารย์ก็มีคุณอยู่ระดับหนึ่งที่เราปฏิบัติกับท่านแต่ว่าไม่ใช่ติดอยู่แค่อาจารย์ไง แล้วก็ปฏิบัติเพื่อทําวัดของเราให้บริบูรณ์เจตนาศีตาลตอนนะนี้กําลังมีกําลังอยู่ไหมเจตนาศีลเจสิญศีลเป็นตนสังวรวิถีกรรมะนี่ก็มีกําลังแล้วก็ประพฤติวัดให้เต็มเพราะถ้าวัดท่านไม่บริบูรณ์เนี่ยปฏิโมกสังวรศีลจกไม่บริบูรณ์ท่านเข้าใจไงท่านก็ต้องพอ่อพูนวัดเหล่านี้ให้เต็มเนี้ยเวลาเราประพฤติวัดต่อกแม่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเราเยอะปฏิบัติถูใช่ไหมไม่เยจิตเต็จเช้าแม่เราแม่เราพ่อเรา ว่าข้อที่เราควรปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้มีแค่พ่อกับแม่ใช่ไหม ย, ยังมีอีกทั้งเยอะในกรณีที่เอาทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเนี่ยทิศเบื้องขวาเนี่ยทิศเบื้องซ้ายเนี่ยครัวจารย์ขวาซ้ายคือมิตรทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาเบาไพรก็ว่าไปทิศเบื้องต่ําก็นั่นแหละผู้ใต้บังคับบัญชาทิศเบื้องสูงสมณะพระพุทธเจา้าเป็นต้นเหล่านี้ต่อพระราตนตรัย ก, ก, ก็ก็ปฏิบัติข้อวัดให้ถูก นี่ถ้าเราไม่ไม่เป็นอย่างนี้มันก็เลยไปยึดติดกันตรงนี้ก็ดูเหมือนโอ้เป็นคนปฏิบัติข้อวัดดีนะเวลาสอนลูกก็ต้องสอนในครบวงจรใช่ไหมไม่ใช่ไปสอนจุดใดจุดนี้อยู่แล้วก็อย่างเราเหมือนกันอย่างกรณีที่เราปฏิบัติต่อเขาเนี่ยอย่างเหมือนอามาเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นพระเนี่ยมีพระมาะอยู่ด้วยมาต้องปฏิบัติวัดเขาอามานะข้อวัดมีอยู่ที่เราควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเนี่ยถึงยางเขาเจ็บป่วยต่างๆแล้วต้องไปนวดไปฟันกานะ ไม้ต้องไปดูแลกขาเนะ่อย่างเงี้ยเอามาก็ต้องทำเพราะเป็นข้อวัดของเราที่ต้องทําอย่างเงี้ยนะแล้วไม่ได้ทำแล้วโอต่อไปเดี๋ยวก็มาทําเราไม่ใช่ <c oughs> เราทําเราต้างบำเพ็ญวัดให้เราให้เต็มเพราะเราบําเพ็ญศีลและศีกขาอยู่เราต้องการจะทําให้บริบูรณ์จากศีกขาสามเราต้องการเดินศีกขาสามให้เต็มเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเดินตามรอยของพระหรังหันใช่ไหมเราต้องการออกจากวัตฏะทกอย่าเนี่ยก็ทํามันถูก ใช่อย่างนี้ยมันชัดก็แล้วหลักมันหลักมั น, ห ล, มนหลักมันไม่ไม่โยกคลอนใช่ไหมนี่อริยศาสตร์หรือเปล่าพี่รู้นี่อริยาศาสตร์ใช่ไหมเนี่ยเป็นไปก็ระเฉพาะคูณอริยาศาสตร์นั่นแหละตรงนี้ก็คือว่าชรลาก็เป็นทุกข์ท่านกวีนิชัยว่าขันนับเนื่องอยู่ในพบเดียวกันในสันตติที่รู้กันว่ามีการฟันหักชะลาท่านประสงค์เอาในที่นี้เชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นสังขาระทุกข์เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งอย่างทุกข์ จึงอยู่กายแยกทุกและเจสิกทุกนี้ใดอันมีปัจจัยเป็นอนเนกเช่นมีความหย่อนยานของอวัยวะน้อยใหญ่มีความวิการแห่งอินทรีย์มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปความพินาษไปแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวความที่กําลังถูกบั่นทอนและมีสติหลงลืมปัญญาก็ปราศจากไปคนอื่นก็ดูแคลนต่างๆแบบนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้ดังกล่าวท่านก็เลยกล่าวว่านั่นแหละคือชาราทุกนะลักษณะชาราทุก ก็เป็นไปในลักษณะนี้อันนี้มาวิจัยพิจารณาเพื่อจะได้เห็นสัจจคือความจริงคือทุกเนาะประการต่อมาก็พูดถึงในเรื่องของมรณทุกมรณะทุกในประเทศโดยสมมุติก่อนเนาะจุติเนด้วยอำนาจของสัตว์ผู้เคลื่อนจะพบเคลื่อนจะพบนี่ยนะจุตินั้นเป็นสามันวั จ, จนของจุติที่เป็นขันหนึ่งบ้างขันสี่บ้างขันห้าบ้างขันหนึ่งขันสี่ขันห้าเนี่ย เจวันาตาก็คือภาวะที่เคลื่อนเป็นบทแสดงไขถึงลักษณะของภาวะเจรวจะนะเพะโทรคือการแตกทำลายไปนะหมายถึงว่าพังคบ ป, ปติของจุดติขันทั้งหลายก็คือการแตกเนี่ยการแตกไปกองขันทั้งหลายเวลาท่านท่านศึกษาคำสอนเนะเวลาเราศึกษาคาสอนกันให้สังเกตดูว่าไอการแตกไปกองขันเนี่ยมันแตกกันทุกขนาดแหละ วลาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนว่าจักขู่แตกสลายใช่ไหมโสตะนี่ก็แตกสลายคานะก็แตกสลายชิวหาก็แตกสลายกายยะก็แตกสลายมโนก็แตกสลายหมดแหละถ้าหากจะไล่ไปตามทวารเนี่ยจักขู่แตกสลายรูบารมก็แตกสลายจักขู่วิญญาณก็ตกแตกสลายจักขู่สัมผัสก็แตกสลายใช่ไหมแล้วก็จักขู่สัมผัสสชาวเวทนาก็แตกสลายแล้วอะไรแตกสลาย รูปปันหาปัญหาก็แตกสลายเป็นตันเหลนี้นะคือท่านก็ไล่ไปทุกทวารหูก็แตกสลายเสียงก็แตกสลายจักรคุญญาณก็แตกสลายโสตสัมผัสก็แตกสลายสุขเวทนาทุกเวทนาทุกททกมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายก็ไล่ไปอย่างเงี้ยที่จริงสภาวะธรรมเหล่านี้ทั้งตาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแตกสลายหมดเลยกระจายบ่อยๆถ้ากระจายบ่อยๆศูนย์ไหม ศูนย์จากอัตตาและอัตตนิยะด้วยศูนย์จากเราและของของเราเป็นต้นด้วยถ้าจริงแค่สาธยายเงี้ยแท่สักสิบกว่ารอบก็เริ่มเห็นความสลายไปของสิ่งต่างๆแบบนี้เห็นไหมว่าการจะเข้าใจไม่ยากแล้วแปลว่าสาธยายด้วยตรึกนอบน้อมไปด้วยน้อมไปด้วยไตรควรไปด้วยว่าตาแตกสลายอย่างไรรูปแตกสลายอย่างไร ไม่มีแกนสารไม่มีสาระของความงามความสุขความเที่ยงความเป็นตัวเป็นตนอย่างไรใช่ไหมไม่ยั่งยืนอย่างไรเงรี้ยก็เห็นความแตกสลายของตาของรูปของจักรคูญญานของจักรคูสัมผัสของสุขเวทนาทุกเวทนาและอทุกกรรมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรคูสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยและของแตกสลายอย่างนี้ก็ควรยึดถือไหมล่ะใช่ไหมไม่ควรยึดถือว่าเราและของของเราเป็นต้นอ้าวทางทวารหูใช่ไหมก็ไล่ไปตามลําดับหูแตกสลายยังไงเสียงแตกสลายยังไง ตาวิญญาณแตกสลายยังไงโสตสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยแตกสลายอย่างไรนี่ก็ก็พิจารณาก็กระจายได้ไหมคณะสัญญาหลุดมดไหมอยนี้ก็หลุดหมดความเป็นก้อนความแท่งทึบหายเกลี้ยงเลยอย่างนี้นะข้านะข้าก็จะคลายความยึดถือได้ไหมอย่างที่พระพเจ้าสอนมาดูกรวิสูจน์ทั้งหลาย ถ้าใครมาเอาหญ้าก็ดีเอาฟางก็ดีเอาต้นไม้ก็ดีในอเชดวันเนะี่ยไปเผาไปทําลายไปทําอย่างอื่นเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าเอาเธอไปเผาได้ไหมเอาเธอไปทําลายไหมผไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะอันนี้ก็เหมือนกันขันต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายใช่ไหมเธอทั้งหลายจงละฉันตาลาค้าคือความยินดีพอใจในขันเหล่านี้เสียขันทั้งหลายเหล่านั้นที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูนเพื่อความสุขมันแตกสลาย ไม่ใช่ของเราฉะนั้นถ้าเขาจะมาทุบมาตีแล้วรูปขันเนี่ยเขาทุบมาตีเราไมเหมือนเอาหญ้าที่เจตวันไปเผาใช่ไหมถ้าเขาจะมาด่าเนี่ยมันไม่ใด้ด่าขันอะไรที่เราที่ไหนแล้วก็เหมือนกับหญ้าที่เขาเอาหญ้าไปเผาเนี่ยหรือเอาหญ้าไปทําโดยประการอื่นๆเนี่ยหรือเอาโต๊ะเก้าอี้ต่างๆเนี่ยไปเผาไฟไปเลยต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำใช่ไหมเขาไม่ได้เอาเราไปที่ไหนแล้วรูปก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเวทนาก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสัญญาก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ทักษองเธอทั้งหลายตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ใช่ของเธอทั้งหลายใช่ไหมเพราะวัตถุเหล่านี้เป็นวัตถุที่แตกสลายมันเกิดดับสืบต่อกันประดุดอย่างไวอีกจะไวกว่าฟ้าแร้าบไวกว่าฟ้าแรบทําไมไปยึดถือสิ่งที่มันไม่มีทําให้มันมีขึ้นอย่านีแล้วไปยึดถือมันเป็นตัวเป็นตนเป็นต้นได้อาจจะคิดอย่างนี้ละได้ไหมเริ่มเข้าใจไหมจะคิดอย่างนี้นี่ไม่ค่อยไปคิดกันต้องคิดตีมันจะเห็นความจริงเลยนดี๋ ก็เอาไปวิจัยบ่อยๆไปคิดบ่อยๆถ้าไปวิจัยหรือไปคิดในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจแล้วมองออกไาอยู่นียที่ประการต่อมาที่าดูก่อนวิกษู์ทั้งหลายนะที่บอกว่าที่จริงบางแห่งท่านกล่าวถึงพญาธิบางแห่งท่านก็กล่าวถึงมรณะเลยเนาะถ้านในในที่นี้ท่านมรนามปีพยาทิทุกโขก็กล่าว ความเก็บความเก็บเป็นทุกเนี่ยไม่ปรากฏในคำอธิบายทุกในสัจจานิเทศท่านจึงไม่แสดงพระดำรัตน์นั้นในคมภีวิสุทธิมักทุกขสัจจาเนี่ยแต่พระดำรัตน์นั้นพบในธรรมจักรกับประวัตนสูตรฉะนั้นถ้าเราศึกษาในอริยศาสตร์เนี่ยก็ต้องไปเอาในธรรมจักรมาขยายนะก็ต้องไปเอาในธรรมจักรท่านใช้คำว่าพยาที่ทุก ในพยาธิทุกข์เนี่ยนะท่านตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยาธิบังเกิดขึ้นในกายของสัตว์ทั้งหลายเพราะเหตุมีได้เสมอแปลปวนเหงท่าทั้งหลายถ้า ด, ดินท่าน้ำท่าไฟและท่าลมไม่ไม่เสมอบางทีก็เย็นบางทีก็ร้อนกวนกวายและสมัมระสายอยู่ภายในในสรีระเนี่ยนั้นให้สรีล่นั้นมีการฉีบหายไปเป็นธรรมดาเนาะเหมือนเพิงอะ่ะ เหมือนไฟเนี่ย น, นะที่เกิดจากการสีไฟนะหรือเหมือนกับเ อ, อประดุดดังลูกม้าสินทบอาชานยในลูกม้าสินทบอัญชาอาชานใยเนะี่ยเวลามันเกิดขึ้นในท้องแม่ลานะเนี่ยเลูกม้าเหล่านั้นที่เกิดในท้องแม่ลานั้นมันก็จะออกจากท้องแม่ด้วยการทําลายท้องแม่ด้วยการอะไรใช้กีบที่ท้ามันเนะี่ยทั้งสีนะ่นแหลแล้วก็ถีบท้องแม่แตก แล้วก็วิ่งออกมาเนี่ยแล้วก็เดินออกมานี่นะหรือมิฉะนั้นก็เหมือนอะไรดีเหมือนพวกกาฝากเหมือนกาฝากเนาะต้นกลว้วยเลยวาต้นกลว้วยเลยที่ถ้าหากเรามาพิจารณางนี้เออมาชานัยเนี่ยมันเกิดในท้องของลาเนี่ยเวลามันจะออกจากท้องแม่มไม่คลอดออกเยมันใช้เท้าถีบจนท้องแตกแหละแล้วมันก็ออกมาแข็งแรง มาอาชาในมันแข็งแรงไอพยาธิที่มันอยู่ในกระแสะขันต้องโยมมึงมันเหมือนมาอาชาในมันถีบจนตายแหละพยาธิมันถีบจนตายเลยตอนนี้มันเริ่มถีบอีกอยังมันเริ่มโตอีกอย่างตอนเนี้ยมันเหมือนมาอาชาในตัวนี้เริ่มตัวโตอีกอย่งมันเริ่มถีบเงี้ถยถีบทุกวันไหมถีบแล้วเริ่มถีบแล้วตอนเนี้เนะี่ย นั่นเร่มถีบมันปรึกษากับชลาก็ไว้ไอ้ต้อเองเล่นงานไม่ไ ม, ไม่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวฆ่าเองวางั้นมันก็นัดไว้มันมันมันพูดมันบอกกันไว้นะไอ้ชาติทุกข์ก็หลอกบอกว่าไปตรงนั้นนะอวอานั้นนึงจะไปตรงนั้นเดี๋ยวจัดการพอไปเกิดปุ๊บใช่ไหมชาติมาแล้วไอ้ชลาก็เล่นท่านนุ่มเลยทบใหญ่ทบใหญ่หญเอา้ายังไม่จัดการบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไม้สามเจอเราว่างั้น มให้สามเจอถึงนี้พยาธิเล่นเลยตอนเนี้ยถีบเลยตัว น, นี้เนี่ยถ้ามันเยอยเนี่ยมันเล่นแล้วตอนเนี้ยเราก็ไปแก้ไขเนี่ยมันตรงไหนมันจะแตกก็ไปเย็บเย็บเย็บก็ไว้อยู่ไหมอมกลัวมันจะถีบออกมามันกวนกว歪ตัว น, นี้นะมันจะออกจากท้องมันเนี่ยทีนี้ก็หรือมีช่นั้นก็เหมือนกับกาฝากเวลามันงอกขึ้นจากคาคบต้นไม้ใดแล้วเนี่ย ก็ครอบงำต้นไม้นั้นให้ฉีดหายให้ย่อยยับคือตายอ่ะเก้าปากมัต้องเอาออกนะถ้ามันขึ้นกับต้นไม้ที่บางคนเขาชอบเนะี่ยต้นไม้ต้นไม้ที่จะปลูกกินลูกกินอะไรต้อไอ้ก้าปากขึ้นอีไรนะเรียบร้อยรียบจัดการกันเลยเรียบฟันเรียบตัดรีบตกแตกต้อกินเน่ยนัก็นนะักข้ า, า, ข า, า, ขามันแจ้งอาหารก็กินเนะ่ต้นไม้หลักตายหมดเลยมันเป็นอย่างนี้ไอ้พญาที่เป็นอย่างนี้บางคนถึงขนาดบอกว่าเขาไม่กลัวมะเร็งหรอก Abei, ถามทำไม้าบอกว่าถ้าเขาตายมะเร็งก็ตายด้วยไ่ไปคิดไปคิดอย่างเงี D, stated, ้ยเรเรียบร้อยเลยก็เนี่ยพยาธิได้ไปคิดรพยาธินั้นมีลักษณะอย่างการที่บอกว่าจะทำให้การาักายต่างๆเหมันครอบงำนำความชิบหายเกิดขึ้นเนะเหมือนกระดดดกัะลูกไม้อ้อและขุยไผ่นั่นแหละ คุ้ยไผ่เวลามันเกิดกับต้นไผ่มันก็ทําต้นไผ่ตา ย, ตายมหมดเลยแค่พวอคุ้ยไผ่ถ้าเราไปดูดิกอไผ่ก้อนไหนถ้าใครอยู่ในป่าจะรู้ถ้านมีคุ้ยขึ้นมาเนี่ย๊ย้เหลืองเลยไผ่เนี่ยเหลืองแล้ ว, น, ลลว น, นก น, นกตายตายจริงๆไม่รอดหรอกขุ้ยไผ่เนี่ยเกิดมาเหมือนสนิมในเหล็กแท้เนียเกิดในเหล็กกัดเหล็กขาดหมดพยาทีก็คือเกิดในขันไหนเล่นงานขันนั้นเจ็บหนัก<ม>เหนื่อย เมื่อยขบต่างๆมันเกิดขึ้นในกายของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่ทําให้สัตว์นั้นถอยกําลังวังชานะแล้วมีกําลังมากๆนี่นะถ้าป่วยหนัหนกๆหายไปไหนก็ไม่รู้เคยเป็นไหมโอ้โหถ้าเคยป่วยนั่นวะแต่ก่อนเนี่ยเคยคิดนยะใครจะเล่นกําลังเราได้เนีัยเพราะเดินจยงกกมทุกวันเอาอีกจริงไหมขนาดเนี้ยร่างกายแข็งเป๊กเดินไกลเดินได้เป็นสองกิโลสามกิโลสี่กิโลห้ากิโล เดินไปไหนมาไหนเดินแต่พืชตพื้นเนี่ยเอาที่ร่างกายขนาดนี้ดูมันจะเล่นยังไงวะงั้นเรียบร้อยเดินแล้วล้มเดเคยนะเคยคิดว่าเอ้าก็ลองดูที่เนี่ยมันป่วยหนักอ๋อเดินไปเรื่อยๆถ่านั่งแล้วเลยนั่งแล้วสุดแน่นอนก็เดินไปเรื่อยเดินตะเข้าตะเข้าเดินจนหลุมลึกเลยนะหลุมจนลึกแนะเลยเคยคิดนะเดินทั้งคืนเนี่ย ทงถ่ยเราไม่เคยกันเดินทั้งคืนเนี่ยเคยคิดว่าเฮ้ยเราเดินเนี่ยเกือบจะรอบไหนแล้วเนี่ยเราจะถึงจังหวัดไหนแล้วเทวนาเป็นจังหวัดเนี่ยเดินเดินเนี่ยเดินหนักเข้านักเข้าเดินเดินเดินหนักเข้าเดินไม่ออกเลยเริ่มไม่ค่อยออกแล้วเดินเริ่มอืดเลยเริ่มอืดเลยหเข้าต้องใช้ใช้ลาวเกาะเข้าไว้ถ้านั่งไม่ได้นั่งก็สุดตอนนั้นป่วยหนักเดินไปเดินไปเดินไปเรื่อย นักเข้านั่เข้าไม่ไหวจริงๆโอ้โหขานี่ไปหมดแล้วจริงยอมยอยมพ่อแกก็แกก็กเดี๋ยวก็กลุกดูลุกดูอยู่ตอนนั้นแไปเป่าแต่ก่อนเอามานี่กับพ่อกับแม่มาก็ไม่ค่อยคุยด้วย <laughs> เืานคนไม่ก็อยากจะคุยกับใครหนึงเสียเวลาจเจริญกุศล พอป่วยแล้วเปลี่ยนยยนิสัยทันทีเลยความอยากพ้นทุกข์แต่ไม่รู้อุบายอยากพ้นทุกข์แต่ไม่รู้อุบายอันชอบไม่มันนะก็เหมือนคนอยากจะดูดูดูอยากจะรู้ว่าบุตรตัวเองเป็นหญิงเป็นชายใช้มีดผ่าท้องตัวเองนั่นแหละไม่ไม่ไม่ฉลาดได้อุบาย ก็ก็พอบวชมาก็คิดเลยคิดเลยเพราะว่ามีมีมีแรงกระตุ้นด้วยไงพอมีแรงกระตุ้นว่าทําแบบนี้จะพ้นทุกข์แค่นั้นแหละเอาเลยอ๋อเขาบอกเนี่ยนั่งกรรมฐานกําหนดอย่างเงี้ยพิจารณาอย่างเงี้ยเอาเลยบอกพ้นทุกข์ได้แล้วโอ้ได้โอ้โหเอาเลยลุยเลยอย่างเงี้ยแล้วฉลาดเออแบบทําแบบพยายามแบบไม่ฉลาด พยายามโง่พยายามแล้วโง่เสียเลยไปเลยเดนมุ่งมั่นเลยเอาว่าจะพ้นทุกได้วิธีนี้ก็เล่งไปเลยอได้ได้ศึกษานิดเดียวได้ศึกษานิดเดียวจับนวโควาดกลับว่าตอนนั้นมีมีพระที่ท่านเป็นอาจารย์เนี่ยท่านก็ได้แค่นั้นท่านไปท่องจิตกับเจตสิกกับรูปได้เท่านั้นเองท่องแบบ ท่องได้และแปลได้แค่นี้เองแล้วอธิบายไม่ได้ที่เจอเ น, เนี่ยที่อยู่ๆด้วยการที่กลุ่มๆเนี่ยนะ่ยจี้ผว่าถามอยากวนทุ ก, กันทั้งนั้นข <c oughs> วัญขวายกันเนี่ยวข ว, ย <c oughs> วขวายถามกันตรงๆเนี่ยอยากค้นเนี่ย อยากอยากพนแต่ไม่ใช่เยอะนะมีไม่กี่องค์อยากพ้นไม่อยากได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าชีวิตเนี่ยข้างข้างนอกเนี่ยมันมากันเต็มกันทั้งนั้นนมากันประเภทที่ว่าเอือมละอาออกมากันทั้งนั้นเนี่ยเจ็ปวดกันบ้างเอือมละอาออกมากันทั้งนั้นอะไรเงี้ต่างๆเนี่ยบางคนกว่าจะออกมาได้นี่แม่สลบแล้วสลบอีกสลบเลยนะก็เอามาบวชได้พอลูกจะไม่ยอม จะบวชแค่นั้นแหละที่แรกก็ะสึกออกไปเนี่ยเพราะติงใจแม่ออกไปก็โกนหัวอยู่งั้นเนี่ยพออยากรับข้อมูลแล้วเนี่ยแม่เห็นไม่ไหวเนี่เข้าเนี่ยเข้าก็มาปรึกษามางานก็บอกไปบอกตรงๆกับท่านเลยเพราะบอกตรงๆแค่นั้นแหละแม่ลงไปกิ้งดิ้นร้องเหมือนใจจะขาดเนยลูกกูทําไมเป็นอย่างนี้ไม่รับอะไรมาท่านก็กรรมือเนี่ยนันลอยบังเดินกะลาวาดอยู่ พิจารณาคือคือรับไม่ได้เพราะว่าต้องการให้ลูกดูแลกิจการบ้างอะไรส่งเรียนจบทุกอย่างมาคือเขาแกก็พยายามพูดตั้งแต่เด็กบางคนคิดแต่เด็กนะคิดแต่เด็กใช่ลองไปกิ้งร้องใจแกมาก็มันเล่าไปมาไม่ม า, ไ ม, มาไม่มาบวชแต่อนุญาต ถ้าอย่างเงี้ยไม่อยากคนทุกได้งไงก็มันมันมันเบื่ออะไรมานี่เห็นบาปอะ่ะเห็นบาปในสิ่งที่ตนเองทําไปเกี่ยวข้องกับงานการบุญมันน้อยอย่างที่ยมว่าโอกาสได้บุญน้อยมันแคบอะ่ะแต่นี้มันเคยมามาสัมผัสบุญอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ได้งไงถ้าคนฉลาดการคิดหน่อยถ้าไม่เคยมาสัมผัสเพศนี้นะมันก็อย่างใช่ไหมถ้าเคยมาสัมผัสแล้วเนี่ยมันอิสระโปรง่โรงโล่งเบานต่างกันเลยเนี่ย ความเป็นอิสระการโอกาสในการเจริญกุศลนี่ต่างนั่นก็ไปเลยถึงก็จะเป็นลักษณะแต่บางท่านก็จะค่อนข้างที่ใจอยากจะออกมีแต่ในขณะเดียวกันก็คือน้อมมันก็ยังก้าเกื่งอย่างนี้ก็จะเยอะก็จะเป็นอย่างแต่ว่าบางทีก็อย่างที่บอกมันก็ได้แต่ว่าสร้างอัธยาศัยแต่ทากรรมกาลังเหตุปัจจัยไม่ถึงก็สร้างเหตุปัจจัยไป ใช่ไหมสร้างเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ว่าต้องการหรือความต้องการมันมากจริงแต่เหตุปัจจัยมไม่ถึงมันก็ยังพ้นทุกข์ไม่แล้วใช่ไหมมันมันก็ต้องทําเต็มเต็มเต็มรูปแบบอย่างนั้นก็ต้องต้องต้องวาไปบางคนถึงขนาดว่าแรกผิดแรกถูกเลยนะปฏิบัติเนี่ยด้วยความอยากออกใช่ไหม ด้วยความที่สติปัญญาเราก็แค่นี้ก็แรกผิดแรกกันเลยว่า ง, งั้นในชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่ไม่ไมธรรมดาก็เป็นนี้พี่สุดจริงๆก็เนี่ยมาตา ย, ตา ย, ต, ายตายที่ประตายพิดกตายที่ตยพิกว่าไปเถอะว่าไปขนาดไหนได้ไดมาตายในคำสอน พยาธิมีลักษณะาการป่วยไข้เนี่ยเป็นต้นอะไบางเกิดขึ้นในสันในสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่าเนี้ยพระรยาเจ้าทั้งหลายมีพระผู้มีภาคเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าพยาธิทั้งหลายก็เบียดเบียนบีทาเหมือนกันเนาะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศนาบอกว่าพยาธิทุก์เนี่ยด้วยประการดังที่ได้กล่าวเนี่ยพยาธิจึงจัดว่าเป็นทุกข์ ตรงนี้ก็มาพิจารณาที่ท่านยกอุปมาตรงนี้หาได้ในไหนในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมจักกระถาก็จะกล่าวไว้ในเรื่องของพยาธิเป็นทุกข์ก็อุปมาดังที่ได้กล่าวที่ท่านกล่าวในเรื่องของข้ออุปมาเนี่ยความเจ็บป่วยทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ทุกจุดในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้ออื่นมีพยาธิหมดเลยที่พยาธิหมดเลยที่แรกเราียกว่าในขนไม่ไม่ป่วย ก็ขนมันก็เป็นเป็นมีพยาธิในนั้นโรคของขนก็มีโรคของผมไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมของเล็บของฟันของหนังของเนื้อของเอ็นของกระดูกของเยื่อในกระดูกมีหมดพยาธิกินทุกจุดทุกอนูของร่างกายเลยไม่มีจุดไหนเลยที่พยาธินั่นจะไม่ครอบงําจะไม่จะไม่เกิดขึ้นโดยสรุปก็คือตรงไหนมีชาติต้งนั้นมีชราตรงไหนมีชราตรงนั้นมีพยาธิตรงไหนมี พยาธิตรงนั้นก็จะมีมรณะด้วยเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยทุกจุดหมดเลยใช่ไหมมันก็บ่งบอกแต่ไอสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นสิ่งเหล่านี้ประการต่อมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของมรณะมรณะนี่เป็นทุกขมรณะทุกนเนี่ยนะตรงนี้ในคําสอนท่านเรียกถึงความตายเนี่ยมรณะ มรณะปี่ทุกขังในความทุกขเนี่ยมีสองประการนีท่านกล่าวไว้นี่นี่นะทีนี้ในเรื่องของมรณะเนี่ยความหายความขาดไปเป็นต้นเราเนี่ยนะมรณะกล่าวคือมัจจุเนี่ยมัจจุกระทาซึ่งความที่สุดแห่งกาละกระทากาละก็ชื่อว่าการะกิริยาคือการทําการะมรณะโดยสมมุตินะทีนี้ในมรณะนิเทศเป็นปรมัติตเนาะ แต่จะแสดงประเภทของปรมัตต์แล้วพระบรมศาสดาก็ตรัสคําเป็นอาทิบอกว่าขันธานังเพธโทการแตกไปของขันธ์การแตกไปของรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนี้ท่านแสดงมรณะโดยปรมัตต์ที่บอกว่าการแตกไปของขันธ์เนี่ยว่าโดยปรมัตต์ขันธ์ทั้งหลายเท่านั้นแตกไปไม่คำว่าสัตว์ตายสัตว์เกิดนั้นไม่มีหรอกข้อาสัตว์นั้นเป็นสมมุติใช่ไหม แต่การแตกไปของขันการตกไปของขันมีอยู่สัตว์ตายไม่มีขันทั้งหลายกาลังแตกสัตว์ย่อมมีโวหารว่ากาลังตายเมื่อขันทั้งหลายแตกแล้วสัตว์ก็ย่อมมีโวหารว่าสัตว์นั้นตายแล้วเราก็จะบอกบอกว่าคนนั้นตายแล้วคนนั้นกาลังใกล้จะตายเนี่ยโดยววหารว่าคนนั้นกาลังใกล้จะตายนะสัตว์ ที่กำลังใกล้จะตายไม่มีอาสมมติยอมอาสมมติพระดีกว่าจะยอมไปหาเป็นลางไว้ดีใช่ไหมใช่ไหมถ้าพระไม่พระไม่ถือดีไหมต้องยกตัวอย่างดีไหม <c oughs> ใช่ไหมกรณีที่ว่าพระเนี่ยกําลังจะมดแล้วนะพระใช่ไหมถ้าบอกกําลังจะตายข้าะพระไม่มีใช่ไหม แต่ว่าเมื่อเมื่อขันนี้กําลังจะเข้าถึงความแตกทําลายในกรณีการเปลี่ยนภพเรียกว่าพระกำลังกําลังจะตายใช่ไหมถ้าพระนี้ท่านมาแล้วนพหรือตายไปแล้วเนี่ยเรียกว่าสัตว์นี้ตายแล้วหรือพระนี้ตายแล้วอย่างที่เราได้ยินข่าวโอ้โหเนี่ยตอนนี้บาทเจ็บกําลังจะตายเนี่ยแท้จริงบุคคลไม่มีเนี่ยแท้จริงเป็นการแตกไปของขันถ้าคิดอย่างนี้ไม่ค่อยยึดถ้างนั้นไอ้คนที่เรารักตายเนี่ย ไอคนที่เราเกียรตายมันเป็นโทษดิเข้าใจไหมแต่ถ้าเราเห็นว่าขันนี้กำลังกำลังจะแตกกำลังจะตายแล้วแต่พอได้ทราบข่าวอีกทีอว่าตายแล้วขันนี้ตายแล้วดับไปคํวข้ามาตายแล้วแปลว่าอะไรขันนี้ปฏิสนธิใหม่เลยอันเดียวกันเนี่ยสังสารลวัฏขาดได อ, อย่างยังยัง เรียบร้อยแล้วบางคุบางทีเขาเกิดก็ไปดีบ้างไปไม่ดีบ้างแล้วแต่อัธยาศัยของเขาแล้วแต่เนี้ยมันกําหนดกันไม่ได้แล้วมันแล้วแต่กรรมของสัตว์เหล่านั้นจักทาไว้แล้วใช่ไหมถ้ามีานิมิตไม่ดีกับทุกติเป็นอันหวังได้ถ้ า, ามีนิมิตที่ดีปริปรากฏก็มีสุคติเป็นอันหวังได้เราก็ยังไม่พ้นอีกเอาอะไรแต่เนี้ยเอาอะตรงนี้ต้องต้องมีความที่จะต้องแข็งแรงแล้วทางด้านจิตใจะ ที่จะต้องตั้งศรัทธาลตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยแล้วว่าเหลือเราตอนเนี้ยเราต้องรีบแนวทางต้องชัดขึ้นเมื่อเห็นการเกิดการตายการกําลังที่มีกันเป็นไปอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันจะต้องแข็งแรงมากขึ้นนจิตใจไม่ใช่อ่อนแอใช่ไหมมันต้องแข็งแรงมากขึ้นใจต้องไม่เสียใจมันต้องไม่เสียมันจะต้องมีความมุ่งมั่นในการเจริญกุศลมากขึ้นบอกว่าเวลานี้ยังพอจเจริญกุศลได้เร่งรีบเลยใช่ไหม ถึงคราวหนึ่งเราก็จะต้องเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็อยกลายเป็นคนที่กําลังจะตายแล้วไหนสุดจริงตอนนะั้นมันจะเจริญอะไรยากมากเลยเนะยอารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏก็โอ้โหเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากบางท่านเนี่ยนะบางท่านเนี่ยเอาอย่างบางคนเนี่ยทํานิมิตหมายไม่ดีไว้เยอะเนี่ยนะแล้วอารมณ์มาปรากฏเ ล, ลองคิดดูดิตรงเนี้ยนั่นเป็นภาระของมูทธเจ้าองค์ต่อไปที่ต้องขัดเกลาขูคนเหล่านี้ยนะ ใช่ในการที่เหยียบขนสัตว์หรือสัตว์เนี่ยเป็นภารัตทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นสัตว์โดยความเป็นท่านผูกสัตว์เหล่านี้ไว้ในตนหมดนะพระบริษัตว์พระบริษัตวมีอีกเยอะในสังสารวัฏที่เหลือนี่ท่านมองสัตว์เหล่านี้ไว้หมดเลยที่ท่านมีพิญญาญาณทั้งหลายเหล่าเนี้นะท่านก็ผูกสัตว์เหล่านี้ไว้ในตนและท่านสําคัญโมหะนี้ร้ายกาจนะอย่างนั้นนะทำให้สัตว์ลุ่มหลงมืดบอดทํากรรมที่ไม่เหมาะไม่สมกันอย่างไรก็ท่านก็พิจารณาเป็น พอพิจารณาเบ็เสร็จแล้วเนี่ยท่านเร่งเร่งความเพียรท่านใหญ่เลยบารมีเอยทั้งทานบารมีศีลบารมีเนตรข ม, มารปัญญาวิริยะขันติสาจาัจจะทาาี่ดาวนัเมตตาบุตรเร่งใหญ่เล ย, ย, เ, ลยเพราะท่านต้องบอกโอต้องช่วยสัตว์เหล่านี้ยังมืดบอดอีกเยอะมากอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็เร่งความเพียรในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์พระใจใช่ไหมไม่เป็นอย่างนี้ยได้ไปนอย่างนี้พระเจ้ า, นนนนจาตอนสร้างบารมีพระเจ้าไม่ได้คิดเว้นพวะเทวทัตเนะคิดไหม ไม่ได้คิดเว้นนะบอกเออจะเว้นพระเทวทัศทน์ไว้คงไม่ไหวช่วยแล้วเกินไม่ท่านไม่เว้นเลยเข้าใจหปาท่านไม่ได้เว้นเะยท่านเป็นผู้มีใจดีแต่ยังเราบางทียังเว้นนะใช่ไหมยังเว้นอยังมีใจเว้นเนะี่ยอันนี้อันนี้แรงของโพธิสัตว์โต ย, ยังไม่จะยังไม่ชัดเลยนะถ้าชัดเมื่อไหร่จกไม่เว้นอลไรแต่เนี้ยอันนี้ก็ต้องมีความเข้าใจในคําสอนของพระเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในตรงเนี้นะเนะี่ย ฉะนั้นต้องต้องเข้าใจคำสอนมากขึ้นตรงนี้ก็คือว่าความแตกแห่งขันทั้งหลายย่อมมีด้วยอำนาจแห่งอะไรด้วยอำนาจแห่งโวหารต่างๆเนาะการแตกไปเป็นชื่อของสัตว์อะไรตายหามีไหมแท้ที่จริงก็เป็นแต่เพียงโวหารว่าสัตว์ตายสัตว์เกิดเป็นต้นหะไรเนี่ยนะในนี้คือสัตว์ตายการแตกไปของขันทั้งหลายย่อมมีด้วยอนาจของจตโโวการภ พ, พปัญจวโวการภ พ, พเนาะความจริงซากศพ ย่อมมีด้วยอำนาจของเอกวรกรภพบนะ